ข้อความในเนติปกรณ์ต่อจากครั้งที่แล้วนครั้งที่แล้วได้กล่าวสูตรทั้ง16สูตรในศาสนประธานนี่ก็มาขึ้นอีก28สูตรนคือ28สสูตรนั้นเป็นการตั้งตามใจความของพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้คือถ้าหากว่าพระพุทธพจน์กล่าวถึงลักษณะใดก็เอามาตั้งเป็นสูตรมี ตรงนี้ตั้งเพิ่มเติมอีก28สูตรซึ่งครั้งที่แล้วเน้นกล่าวถึงสังกิเลสนะสังกิเลสวาสนานิเพทะและอเซขะและก็เอาสิ่งเหล่านี้มาคละเคล้ากันไปนะมาคละกันขยายไปแล้วเป็น16สูตรส่วนในอีก28สูตรต่อไปนั้นกล่าวเป็นติกะนี่นะกนะล่าวเป็นติกะกับทุกะนะเช่นว่า จริงๆก็เป็นทุกกะนะแล้มาผสมกันอย่างเช่นกลุ่มที่1ก็คือโลกิยะกับโลกุตระกลุ่มที่สองก็สัตตาทิฏฐานกับธรรมาทิฏฐานกลุ่มที่สก็ยานกับยยะกลุ่มที่4ก็ทัศนะกับภาวนากลุ่มที่5ก็สักกะกับปรวชนะกลุ่มที่6ก็วส์อ่าวิสัชนียะกับอวิสัชนียะกลุ่มที่กลุ่มต่อไปกลุ่มที่7ก็คือกรรมกับวิบาก กลุ่มที่8ก็กุศลกับอกุศลกลุ่มที่9ก็คืออนุอนุญญาตะอนุ ญ, ญาตก็แปลว่าเกี่ยวข้อง อ, อ, อนุญาตหรือกับปฏิปฏิคิตะคือปฏิเสธแล้วก็สุดท้ายก็คือทะวะสูตรสูตรที่อันนี้เป็นโดดๆเลยนะทะวะสูตรเกี่ยวกับการชมเชยในพระสูตรเหล่านี้นะอย่างสูตรที่เรียกว่าโลกยะกับโลกุตระนะ คือนับเนื่องในวัตตะกับคิดง่ายๆอีกในหนึ่งคือวัตตะกับวิวัตตะนะโลกิยะโลกุตระก็คือวัตตะกับวิวัตตะนั่นเองันก็ใจความที่กล่าวถึงวัตตะกับใจความที่กล่าวถึงวิวัตตะกล่าวถึงโลกิยะกับกล่าวถึงพระนิพพานส่วนสัตตาที่ฐานกับธรรมาที่ฐานก็คือสัตตาที่ฐานหมายถึงปุคลาที่ฐานเน้นโวหารหรือสมมติสัจจะ ส่วนธรรมมาที่ฐานก็คือปรมาทสัจจะเน้นเนื้อความที่เป็นพระธรรมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกล่าวถึงญาณคือตัวความรู้กับสิ่งที่ควรรู้นนะตัวความรู้เป็นปัญญาเป็นกุศลธรรมสิ่งที่ควรรู้ก็เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อัพยากตะเป็นต้นมันตัวความรู้กับสิ่งที่ควรรู้เขาเรียกว่าญาณะกับไยยะ ยาๆก็คือสิ่งที่ควรรู้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือทัศนะกับภาวนาทัศนะก็หมายถึงโสดาปติมัคนั่นนะที่เหลือก็เป็นภาวนาเนี่ยนะโลกุตระระดับสูงต่อไปก็เรียกว่าภาวนาสกะวัจนะสูตรก็สูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงประวัจนะก็บุคคลอื่นที่มีความเห็นต่างจากพระพุทธศาสนา ว่านี้เป็นความเห็นฝ่ายเรานะคือฝ่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นความเห็นนอกคำสอนคือการศึกษาจะต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นคำสอนอันไหนไม่ใช่คำสอนอันไหนเป็นพุทธพจน์อันไหนเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมอันไหนเป็นความเห็นของตนเป็นต้นซึ่งอันนี้ต้องแยกให้ออกแยกให้ได้ อีกกลุมหนึ่งก็คือพวกสูตรที่เรียกว่าวิสัชชนียสูตรกับอวิสัชชนียสูตรหมายความว่าสูตรใดที่ควรตอบถ้ามีคําถามคําถามไหนควรตอบกับคําถามที่ไม่ควรตอบแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาถามก็ตอบไปทุกเรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องเป็นต้องตอบเพราะตอบแล้วก็ไม่ได้ทําให้คนถามฉลาดขึ้นหรือคนตอบฉลาดขึ้นถามแล้วก็ไม่ได้แปลว่าทั้งคนถามและคนตอบจะประสบความสุขความเจริญอะไรอันบางคําถามควรตอบบางคําถามก็ไม่ต้องตอบ อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มเหตุกับกลุ่มผลก็คือกรรมกับวิบากนะกรรมก็คือฝ่ายเหตุวิบากก็คือฝ่ายผลกรรมก็คือเป็นตัวที่จะทำให้เกิดวิบากขึ้นก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือสูตรที่เกี่ยวกับกุศลกับสูตรที่เป็นอกุศลคือสูตรที่เน้นกุศลกับเน้นอกุศลอุญญาตสูตรก็คือเรียกว่าอนุมัติอนุญาตกับ ปฏิคิเตก็บอกว่าปฏิเสธเป็นการห้ามกับอีกสูตรสุดท้ายก็คือสูตรที่กล่าวถึงการยกย่องและกล่าวสรรเสริญซึ่งสูตรทั้งหมดเหล่านี้มีอยู่28สูตรจะมีการยกตัวอย่างโดยลำดับต่อไปใครที่ศึกษาศาสนาปฐฐานศาสนาปฐฐานโดยเฉพาะมีความเข้าใจในสูตร16สูตรที่ผ่านมา แล้วก็มีความเข้าใจในลักษณะสูตรทั้ง28สูตรที่จะกล่าวต่อไปเขาเหล่านั้นอ่านพระไตรปิฎกนั้นคงอ่านแล้วก็จับใจความไม่พลาดไม่งั้นก็เราก็ตีใจความตีพุทธพจน์ตีความหมายของพุทธพจน์ตามใจปรารถนาการแสดงพุทธพจน์ตามใจปรารถนาก็ทำลายทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ทำลายทั้งพระศาสนาด้วย ทำลายตัวเองก็คือตัวเองก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติผิดเพราะมีความเข้าใจผิดทำลายพระพุทธศาสนาก็คือกล่าวตู่คาสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยแต่ตัวเองเข้าใจอย่างนั้นก็ถวายว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเป็นที่มาของเพเกระวัตถุ18เป็นที่มาแห่งวัตถุความแตกแยก18ปประการ ถ้าหากว่ามีความเห็นนอกอคำสอนที่มาของการแตกแยกว่าอันนี้เป็นธรรมอันนี้ไม่เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้ไม่เป็นวินัยนี้พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติมานี้พระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิบัติมาเป็นต้นก็จะเกิดแต่การแข่งแย่งเกิดการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยนะเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทกันที่ใดที่มีการวิวาทกันที่นั่นแม้แต่นึกถึงอย่างเครียด person, ไม่จาต้องกล่าวไปต้องไปคลุกคลีและเกี่ยวข้อง แค่นึกถึงกลุ่มคนที่มีปัญหากันแค่นึกถึงก็ไม่สบายใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเจรจาพูพดคุยสนทนาด้วยเพราะแค่คิดถึงก็ไม่สบายใจถามว่าทำไมเพราะความเข้าใจในคำสอนไม่เหมือนกันเมื่อเข้าใจไม่เหมือนกันก็คิดแตกต่างกันเมื่อคิดแตกต่างกันไม่มีใครคิดว่าตัวเองผิดหรอกทุกคนก็จะคิดว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายถูกเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเข้าก็เห็นว่าคนอื่นนี่ผิดนะ ก็ยกตนแล้วก็ข่มคนอื่นว่าเราเนี่ยแน่คนอื่นนี่พลาดก็เป็นที่มาของสารพัดที่จะเกิดขึ้นที่มาของมิจฉาปณนิธิทั้งหลายการตั้งจิตเอาไว้ผิดเป็นที่มาของตั้งวาจาเอาไว้ผิดเป็นที่มาแห่งการกระทําที่ผิดพลาดในที่สุดก็ทำลายตัวเองเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดนะยิ่งกว่าอะไรนะ พวกไอ้ระเบิดฆ่าพลีชีพนะยิ่งกว่าพลีชีพอีกเพราะอันนี้พลีความคิดเลยพลีทิฏฐิพลีความคิดนี่ก็นี่ถือว่ามีโทษมากเพราะฉะนนั้นเราพยายามศึกษาเข้าใจศึกษาให้เข้าใจพระธรรมคําสอนว่าพระพุทธเจ้าประสงค์อะไรพระองค์ต้องการอะไรพยายามจับตรงนี้ให้ได้ถ้าเราจับไม่ได้ชาตินี้เราก็ฟาวอีกชาติหนึ่ง น, นะเราก็ฟาวไปอีกชาติหนึ่ง ถือว่าหมดเวลาศูนย์เวลาไปอีกชาติหนึ่งน่าเสียดายกว่าจะทำบุญมาได้เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแต่ว่าได้แกลบกลับไปเนี่ยมันก็น่าเสียดายมากนะกินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะย้ยอนกลับมาทบทวนข้อความในพุทธพจน์ ท, ที่พระมหากจจยณนะยกมาเป็นตัวอย่างใน28สูตรต่อไปสูตรที่หนึ่งเรียกว่าโลกิยะสูตรโลกิยะนั้นก็นับเนื่องในโลกหรือนับเนื่องในวัตะใน ภูมิสนับเนื่องในการมาพบรูปประพบอรูปประพบนับเนื่องในการมาท่ารูปประท่าและอรูปประท่าสรุปว่านับเนื่องในกรรมวิบากและกิเลสนั่นเองในคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาธรรมบทพระมหากัจจยนายกมาเป็นตัวอย่างที่กล่าวถึงโลกีสูตรว่าบาปกรรมที่บุคคลทําแล้วยังไม่ให้ผลทันที เหมือนน้ำนมที่รีดในวันนี้ยังไม่แปรไปเป็นนมส้มบาปรกรรมนั้นย่อมติดตามเผาผลาญคนผ่านไปเหมือนไฟที่ขี้เท่ากลบเอาไว้เช่นั้นถ้าใครที่เคยเครียกว่ารีดนมนมเนี่ยนะรีดนมโคเนะนะี่ยนะตือนเช้ามาเนะี่ยไม่ก่อนเคยไปบินทบาทหน้าฟาร์มโคมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งก็เลี้ยงแม่โค น, นมเช้ามาเขาก็รีดนมโคเนี่ยนะนะใส่ถัง ใ, ใส่ทั้ง ปิเนียมนะใส่ทังอลูมิเนียมแล้วก็เอานมโคพวกนี้ไปขายเป็นลิตรถ้าหากว่าตอนที่เราเห็นธรรมดาเหมือนกับว่านมโคไม่แปรสภาพเป็นน้ำสีขาวเนี่ยนะเป็นน้าสีขาวอยู่นั่นแหละแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆ น, นมสดก็จะกลายเป็นนมส้มเนะนี่ยนะนมส้มก็แปลว่านมบูด นมเปรี้ยวอ่ะนะนมส้มเราว่านมบูดนั่นแหละมันก็คือถ้าหากว่าไม่มีกระบวนการวิธีจัดการมันก็คือนมบูดดีๆนี่แหละเพราะมันก็จะเริ่มแปลสภาพไปเรื่อยๆนะก็จะเริ่มเป็นเปรียงก็ตกผลึกขึ้นมานะไอส่วนที่เป็นน้ำมันก็จมเออลงส่วนที่เป็นนมก็ลอยขึ้นเรียกว่าเป็นเปรียงเปรียงอันนี้ก็เอามาทําเป็นเนยข้นเนยนะเนยข้นก็แปลสภาพไปเป็นเนยใสก็ได้คนที่ฉลาดก็สกัดไปเป็นหัวเนยใสแต่ทีนี้ย้อนกลับมาว่าเออนมสดทั้งหลาย ที่เราเก็บไว้เนี่ยนะวันสองวันสามวันไปตอนแรกก็ยังไม่แปรสภาพพอนานไปก็แปรสภาพแปรสภาพกลายเป็นนมบูดหรือนมส้มฉันใดบา ป, ปรกรรมก็เหมือนกันตอนที่ยังไม่ให้ผลมีแต่ความสุขมีแต่ความหวานชื่นดูดีไปหมดเลยเนะนึกว่าไม่มีอะไรนึกว่าไม่มีพิษมีภัยนึกว่าไม่มี ทุกมีโทษเหมือนงานดื่มสุราที่กำลังสังสรรค์เนี่ยนะดื่มสุราที่ผสมยาพิษไอ้ตอนดื่มนี่สบายมากมีความสุขแต่ว่าตอนที่พิษมันกำเริบก็ตายคา ว, วงเป็นต้นนั่นแหละบา ป, ปรกรรมที่คนพานทำไว้แล้วก็เหมือนกันจริงโยว่าตอนที่ทำมันยังไม่ให้ผลก็ไม่มีอะไร น, นะเพราะกาลคติอุปธิประโยคะไร้ละให้ประการมันห้ามไว้ทาให้บาปยังไม่ให้ผล ต่อเมื่อกาละคติอุปธิวิบัติจะทำให้ไร้ล้ า, ยลายอย่างวิบัติพันกรรมที่ทำเอาไว้ก็จะตามเผาผลาญในภายหลังเหมือนไฟที่ขี้เท่ากลบเอาไว้ใครที่เคยเดินเหยียบไฟบางบางอย่างนะถ้าถ้าเราอยู่คนเมืองอาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าคนที่เคยอยู่ป่านี่จะนึกออกเพราะว่ามันจะมีช่วงประมาณเดือนมีนาอ่กุมภามีนาเมษาเขาจะเผาป่ากัน เมื่อเขาเผาปา่าเนี่ยนะมันจะมีกองที่เท่ากองที่เท่ากองที่เท่ากลบฉันเราก็นึกว่ามันไม่มีอะไรเราก็เดินลงไปเหยียบเล่นเนี่ยนะนั่นแหละเหยียบกองไฟเลยแะคือบางทีมันมามันไหม้แอบตอไม้อะนะไหม้ตอไม้ข้างบนมันก็มีแต่ที่เท่าแต่มันก็ไหม้ลงไหม้ลงไหม้ลงไหม้ล ง, ลงเราก็นึกว่าไม่มีอะไรก็เหยียบลงไปก็ปลุก <laughs> ดีถ้าใส่รองเท้าไฟยางชั่วถ้าไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเรียกว่าแทบสุกขึ้นมาเลยเนี่ยนะเพราะว่าข้างล่างนี่ไฟทั้งนั้นฉั้นใดบาประกำที่คนพาทําาเออไว้กก็หมืนัน ถ้าบาปเหล่านั้นมันให้ผลก็ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะน่ากลัวเท่ากับผลบาปตามให้ผลถ้าผลบาปตามให้ผลเนี่ยนะสรุปว่าทุกอย่างเสียหมดเลยที่เราว่ามันดูดีมันกำลังจะดีทำท่าจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทำท่าจะมีความสุขทำท่าจะมีความเจริญอยู่ดีมีสุขมันแปลสภาพหมดเลยแปรสภาพแม้กระทั่งจากสิ่งที่เรามีมันก็กลายเป็นว่าหาย สิ่งที่เรามีมันกลายเป็นว่าไม่มีสิ่งที่เราว่าดีมันกลายว่าเป็นเป็นของมีโทษเหมือนกับว่าถ้าบาปมันให้ผลนะก็ทองได้แท้ๆมันกลายเป็นอะไรอย่างอื่นไปจนได้านะเป็นของชุบไปจนได้นะเท่เาว่าจากมีบ้านก็กลายเป็นขี้เท่าทันทีกลายเป็นฐานทันทีจากมีที่ทํางานก็ถูกยึดไปทันทีมันถ้าบาปไม่ให้ผลจะเป็นแบบนั้นแม้ที่สุดแม้แต่สรีระร่างกายจากสุขภาพดีก็กลายเป็น ป่วยเป็นไข้พันทุกอย่างนํามาแต่ความเศร้าโศกเสียใจแปรสภาพจากมนุษย์กลายเป็นอบายได้ะ น, น, นะนะถ้าหากว่ากรรมให้ผลจุติจากมนุษย์ก็ปฏิสนธิในอบายเป็นต้นพันผลแห่งบาปเนี่ยพระองค์ตรัสว่าไม่มีเรี่ยวแรงพละกําลังใดจะเท่ากําลังแห่งกรรมพันกําลังแห่งกรรมเนี่ยมีเรี่ยวแรงมีพิษสงมากมายแต่ตอนที่ยังไม่ให้ผลเราก็บอกไม่เป็นร้ายไม่เห็นเป็นไรไม่มีอะไรก็สนุกดีเป็นสุขดี แต่เมื่อใดที่ให้ผลเตรียมเทมีแต่ความทุกข์สมมติว่ามีลูกลูกก็ตายมีสามีสามีก็มีผัวใหม่ไปเรียบร้อยมีภรรยาภรรยาก็หนีตามคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมีเงินก็ถูกลวงกระเป๋าไปหมดแล้วนะสรุปว่ามีอะไรก็มีแต่ความเสียหายมีแต่ความล่มสลายมีแต่ความล่มจมทั้่าบาปให้ผลเนี่ยมีแต่ความเสื่อมโดยส่วนเดียวฉะนั้นคําว่าโลกิยะในที่นี้ก็คือว่า กระแสดึงดูดของโลกเนี่ยนะมันจะอยู่ระดับสูงขนาดไหนก็ตามเถอะถ้ามีความผิดพลาดมาก็สูบลงไปสู่อบายทุกขติวินิบาณนรกนั้นถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ที่ก่อกรรมทําความชั่วก็สูบไปสู่นรกอีกจนได้ถ้าหากว่าเป็นเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก่อกรรมทําชั่วเทวดาหรือพรมหมแม้กระทั่งพรหมที่เป็นมิจฉาทิฐิในที่สุดก็สูบถูกสูบไหลเวียนไปสู่อบายมันก็หมุนเวียนอย่างเงี้ยเรียกว่าหมุนเวียนอยู่ในโลก หมุนเวียนเสวทธรรมกรรมเสวยวิบากแห่งกรรมบ่อยครั้งที่ทําชั่วน้อยครั้งที่ทําดีแล้วก็มาคิดดูว่าแม้กระทั่งว่าผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะโดยชั่วโมงแห่งจิตที่เป็นไปกับคําสอนเนี่ยวันหนึ่งกี่ชั่วโมงถ้าเรามาเทียบหนึ่งวันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเราบอกโอ้เราเป็นคนศึกษาธรรมะใจของเราเป็นไปกับธรรมะกี่ชั่วโมงแล้วต่อวันหนึ่งนะ นะต่อชั่วโมงเนี่ยโดยเขานับกันที่ชั่วโมงาชั่วโมงสมมติว่าเราตื่นเนี่ยตื่นวันละกี่ชั่วโมงสมมติท่านนอนวันละห 6-8 ดชั่วโมงที่เหลือก็ตื่นก็ถือว่าตื่นประมาณ18ดชั่วโมงไม่ใช่ใช่ประมาณ18ชั่วโมงบางคนก็16ชั่วโมงภายใน18ดชั่วโมง16ชั่วโมงเนี่ยนะบางคนเป็นกุศลสชั่วโมงก็อกุศลไปเท่าไหร่ลอกุศลก็15ชั่วโมง คิดดูแล้วมันก็โอ้โหขาดทุนยับเยินเนยนาะทีนี้ถามว่าเออนี่ชีวิตในช่วงที่มาศึกษาธรรมะเนี่ยน ะ, ะแล้วศึกษาธรรมะมากี่เดือนแล้วล่ะก็มาไล่ดูเอาก็ไม่กี่เดือนเองแล้วไอ้ที่เหลืออะไรมันแทบจะบาปบริสุทธิ์เลยแล้วจะเอาบาปเหล่านั้นไปเก็บไว้ที่ไหนมันลหลายๆคนนี่กําลังนึกเออแล้วเอาบาปเหล่านั้นไปเก็บไว้ไหนเนาะเนี่ยนะทำเหมือนว่าไม่มีอะไรนั่นแหละมันกําลังจะมีแล้วละทําเหมือนสบายดีนั่นแหละกําลังจะ เสียหายมันถ้าเราไม่ตื่นตัวอะไรจะเกิดขึ้นของเราทั้งหลายก็เหมือนกับเรือเก่าๆเรือผุๆที่ลอยอยู่กลางทะเลที่พร้อมที่จะแตกสลายแล้วก็ล่มจมก่อนที่จะแหลกสลายก่อนที่จะล่มจมเนี่ยนะมีอะไรเป็นเครื่องป้องกันบ้างแล้วนะเตรียมเตรียมการไว้เป็นอย่างไรบ้างเป็นต้นแต่ก็อย่างว่านะทุกคนก็รับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วล่ะแล้วก็แต่ว่าการกล่าวทำก็คือการกล่าวเหตุแล กล่าวผลกล่าวเพื่อให้ออกจากกุศลกล่าวเพื่อให้มีการเจริญกุศลแต่ถ้ากล่าวหรือไม่กล่าวก็ตามทุกคนก็ยังไงก็ตามเถอะมันก็รับผิดชอบตัวเองวันยังค่ำนั่นแหละนะก็ในโลกไม่มีอะาอย่างที่คนอื่นทำอะไรไม่ได้เลยเช่นความหิวความอิ่มก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวความสุขความทุกข์ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเกี่ยวกับเรื่องกรรมและผลของกรรมก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็มีความมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็นสิ่งที่ยังต้องเกี่ยวข้องกันอยู่อั น, นเราก็ต้องมาทบทวนว่าอะไรคือของตนอะไรไม่ใช่ของตนเนี่ยนะทบทวนให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นเราก็ไหลไปสู่อกุศลวิบากถ้าไหลไปสู่อกุศลวิบากแล้วมันยากเนี่ยนะมันยากที่จะหลุดออกมายากที่จะหลุดออกมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเพราะฉะนันนะหลายๆท่านอาจจะมีบุญก็ ก็ดีไปสำหรับคนที่ไม่มีบุญเนี่ยนะถ้าพลาดอย่างที่ยังยังชอบสูตรที่พระองค์ตรัสกับพระพิสูจน์ทั้งหลายว่าถ้าท่านพลาดจากสัทธธรรมนิยามในาศาสนานี้แล้วท่านจะเศร้าโศกท่านจะเสียใจเหมือนพ่อค้าที่ชื่อว่าเสรีวะชะนันพัน้าหากว่าเราพลาดจากคำสอน้วอะไรจะเกิดขึ้นบากปรกรรมที่เราทำเอาไว้ไม่ลืมเราเลยๆเรื่องไม่ลืมเราเด็ดขาด สรว่าบุญบาปเป็นของเฉพาะตัวบุญก็ไม่ลืมเราตามอุปธรรมเราเต็มที่บาปมันก็คือศัตรูที่ตามเล่นงานเราเต็มที่เพราะว่าผู้ที่ยังอยู่ในโลกอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะอย่าคิดว่าจะหนีพ้นผลบุญและผลบาปขณะไหนมั่งที่เราพ้นจากผลบุญและผลบาปเพราะแม้กระทั่งความคิดทุกๆวิถีจิตที่ไหลสืบเนื่องมาผวังมาก่อนแล้วก็จบลงที่ผวังผวังมาก่อนแล้วก็จบลงที่ผวังซึ่งเป็นผลของบุญบาป ทีนี้แม้กระทั่งการเห็นเนี่ยนะตาก็เป็นผลของกรรมแล้วก็ชาวนะจิตที่ไหลสืบมาก็เป็นเหตุใหม่แต่ก็ยังกลับไปหาผลของกรรมอีกสรุปว่าเสิบเนื่องมาในเหตุในเนื่องของผลของกรรมขณะเดียวกันเนี่ยนะก็กรรมใหม่ก็ทำอยู่ตลอดเวลาทุกทุกทวารทุกทุ ก, ท ก, ท ก, ทกวิถีจิตก็ทำแต่กรรมใหม่เรื่อยๆมันก็คือผลแห่งกรรมเก่า เป็นเหตุให้ทำกรรมใหม่กิเลส ท, ทั้งหลายก็เป็นตัวเชื่อมโยงให้เป็นไปอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นไปอยู่อย่างนี้ระบบวงโคจรมันเป็นอย่างนี้เราจะเชื่ อ, อยังไงก็ตามเราจะเข้าใจยังไงก็ตามระบบมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าระบบอันนี้มันก็เป็นนิยามมันเป็นของธรรมดาเขาเรียกพรกะองค์ตรัสว่าก ร, รรมนิยามกับจิตานิยามนิยามเหล่านี้ก็ไหลสืบเนื่องกันเป็นไปอย่างนี้เมื่อเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะคนที่ ไม่มีปัญญาไม่รู้เหตุแห่งความเสื่อมและไม่รู้เหตุแห่งความเจริญเป็นคนที่มองอะไรแค่เฉพาะหน้ารู้แต่เรื่องเฉพาะหน้าถ้ารู้แต่เรื่องเฉพาะหน้าเวลาทําบาปเนี่ยนะเราจะคิดไหมว่าบาปมีผลเพราะเราเห็นแต่อะไรเฉพาะหน้าเห็นแต่นมสดแต่ไม่เคยรู้จักนมบูดต่อไปเนี่ยนะเห็นแต่นมสดเห็นแต่อะไรนะอาหารที่สุกกรุนแต่ไม่เคยเห็นขยะเนี่ยนะมันก็เห็นแต่ตอนดีแต่ไม่เห็น ตอนเสียทนที่ทำบาปบางคนก็ลักษณะนั้นเห็นแต่ความสุขเห็นแต่ความสดชื่นแต่ไม่รู้ผลแห่งบาปเพราะอะไรเพราะตัวเองมืดเกินไปเนี่ยนะบอดเกินไปเขาเรียกววิชาเนี่ยนะไม่รู้ผลบุญไม่รู้ผลบาปไม่รู้ผลแห่งความดีไม่รู้ผลแห่งความชั่วก็เลยเกิดมาเป็นศัตรูของตนเนี่ยนะเกิดมาเป็นศัตรูของตนคนที่เกิดมาเป็นศัตรูของตนอย่างที่พระองค์ตรัสว่าอำนาจยศ ลาบสการะมีมีแก่คนพานหรือคนพานที่มีลาบยศสการะมีเพื่อฆ่าตัวเองเนี่ยนะมีเพื่อทำลายตัวเองเพราะเขาจะเอาสิ่งเหล่านั้นไปทำบาปทอาอกุศลในที่สุดตัวเองก็ถูกทำลายซะเกลี้ยงหมดเลยพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแบบนี้เรียกว่าโลกิยะสูตรเรียกว่ากระแสดึงดูดของโลกิยเนี่ยนะกระแสดึงดูดของดินน้าลมไฟนี่มันแรงมาก น, นะ ไม่ใช่จะออกง่ายๆนะดินเนี่ยออกจากดินออกจากน้ําออกจากลมออกจากไฟเมือน่าออกจากนี้จากสินที่มันหมักหมมมานานๆไม่ใช่จะเป็นของออกง่ายๆออกจากชาติชรามรณะยากกิ่งกว่านั้นเพราะโดยมากสัสตว์ทั้งหลายตั้งตนเอาไว้ผิดนะตั้งตนเอาไว้ผิดเมื่อตั้งตนเอาไว้ผิดความคิดก็ผิดความเข้าใจก็ผิดความรู้ก็ผิดพูดก็พูดผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นผลของความผิดพลาดเหล่านั้นคืออะไร ก็คือมีความทุกข์เบื้องหน้าเลยนะเวลาว่าไปหาอะไรไปไหนก็บอกไปหากองทุกข์นะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปหากองทุกข์ก็รู้สิเพราะเขาไปหาชาติชรามรณะไปหาโสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาตวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งรีบไปรีบไปไหนบอกรีบไปหาชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโธมณตและอุปาญาตเมื่อผลมันลงเอยอย่างนั้นเรารู้เลยว่านี่คือความผิดพลาดเอาแล้วความถูกต้องคืออะไร ถ้าความถูกต้องความที่ไม่ผิดพลาดก็คือดับชาติชราและมรณะเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนย้อนกลับมา อ, อีกสูตรหนึ่งที่พร ะ, ะ, พระหมหากจจยนะยกพุทธพจน์มาจากจตุกานิบาทว่าภิกษุทั้งหลายการถึงอัคติสี่เหล่านี้เนี่ยนะการถึงอัคติมีสี่อย่างเหล่านี้ อ, อยู่ในหน้าไหนท่านบอกว่าให้แสดงทั้งหมดก็คือหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสอง ที่ที่เคยกล่าวไปบ้างแล้วบอกว่ า, าพิสูจน์ทั้งหลายสอย่างเหล่านี้เป็นการถึงอคติอะไรบ้างคือถึงฉันทาคติย่อมถึงโทสาคติย่อมถึงโมหาคติย่อมถึงพยาคติภิกษุทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้แหลเป็นการถึงอคติเป็นการไปอคติเราว่าไปแบบคตหรือไปแบบลำเอียงแน่ พระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลใด ย, ย่อมประพฤติล่วงอริยธรรมเพราะฉันทะเพราะความกโกรธเพราะความกลัวเพราะความหลงยศบริวารชื่อเสียงของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมฉชนั้นอันนี้ก็เป็นอยู่ในฝ่ายของโลกิยะเพราะว่าปกติของสัตว์โลกทั้งหลายสิ่งที่เขาทาคาที่เขาพูดความรู้สึกนึกคิดบางคนเนี่ยทด้วยอานาจความชอบ ด้วยอานาจตันหาอย่างเดียวตันหานําหน้าตันหาพาไปตันหาพาคิดพาพูดพาทำทำไปตามอำนาจของความทะเยอทยานความต้องการและความความอยากจริงๆอ่ะนะไม่รู้ว่าอยากแล้วถ้าได้อันนั้นมาจะเอาไปทําอะไรกันยังนึกไม่ออกแต่ว่าอยากก็แล้วกันสรุปว่าต้องการต้องการต้องการนี้ต่อไปบางคนก็ทําว่าความโกรธโกรธโกรธเนี่ยนะทำให้มันสะใจว่างั้นเถอะตามอนุภาพของความโกรธตาม เรียกว่าตามเผาตามผลามตามประทุษร้ายตามเบียดเบียน น, นะตามเผาที่สุดเท่าที่จะเผาได้ไอาการกระทําอย่างงี้เรียกว่าทําด้วยโทสาคติบางคนก็ทําเพราะความโง่โง่จริงๆไม่รู้ทําไปทําไมทไมําให้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้สักอย่างรู้แต่ว่าอยากทําก็แล้วกันก็ทําด้วยอํานาจความโง่เขลาบางคนก็ทําเพราะความหวาดกลัวความสะดุ้งกลัวความหวาดระแวงความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าว ก็รู้ว่ากลั ว, ลวแต่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรก็ทำไปเพราะความกลัวพันสรุปว่าการการอยู่ในโลกหมู่สัตว์โลกทั้งหลายโดยมากทำด้วยอำนาจของอัคคติสี่ถามหายากถ้าไม่เป็นขณะที่เป็นกุศลเนี่ยนะมันก็เป็นไปตามอัคคติ4ประการอยู่แล้วล่ะถ้าขณะที่ไม่เป็นกุศลแม้แต่กุศลบางอย่างก็ยังเป็นเครื่องมือของอัคคติด้วยซ้าไปานะกุศลบางอย่างก็เป็นเครื่องมือของฉันทาคติเป็นเครื่องมือของ โทสาคติของโมหะคติและของพยาคติเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของโลกีสูตรสูตรถึงความเป็นไปในโลกะนะพระสูอ่าพระองค์พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงถึงบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกไปเพราะอํานาจความชอบไปเพราะอํานาจความชังความโง่เขลาและความหวาดกลัวเนี่ยนะชีวิตที่ดําเนินไปอยู่ด้วยความชอบความชังความโง่เขลาและความหวาดกลัวความ หวาดระแวงวันชีวิตของสัตว์โลกนั้นจริ ง, รงๆก็ไม่ได้อยู่อย่างสบายอะไรหรอกแต่ขนาดนั้นก็น้อยนักที่จะคิดออกเนี่ยนะก็ยังสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นความดีเพราะไม่รู้จักสิ่งที่เป็นเรียกว่าตรงกันข้ามเมื่อไม่รู้จักสิ่งตรงกันข้ามเขาบอกเขาอยากออกใช่เขาอยากออกจากตรงนี้เพื่อไปหาอีกตรงนั้น จะสํานวนว่าออกจากอีกเบื่อเลือเกินคนนี้ไปหาคนใหม่ดีกว่ามันก็มีอยู่เท่านั้นนะไปเจอคนใหมบ่บอกเบื่อเลือเกินในคนนี้ไปหาคนใหม่ต่อบเบื่อเลือเกินที่ตรงนี้ไปหาที่ตรงใหม่ก็เหมือนคนทํางานแล้วเบื่อเลือเกินงานนี้ไปหางานใหม่ดีกว่ามันก็ไปประวัติศาสตร์มันก็ซ้ําๆกันอยู่แค่นั้นแหละมันจะมีอะไรเพราะโลกมันก็มีแต่เช้าสายบ่ายค่ามีฝนตกแดดออกหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนมันก็มีอยู่เท่านี้แหละจะวนไปที่ไหนบอกเบื่อเลือเกินตรงนี้ก็ไปหาตรงนั้นมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละ เพราะว่าชีวิตของโลกมันเกี่ยวพันด้วยอำนาจความชอบความชังความโง่เขลาวและความสะดุ้งกลัวเนี่ยนะเพราะความกลัวเฉะนั้นถ้าผู้ใดที่ใช้ชีวิตในลักษณะนี้ก็จบลงที่ไหนที่จบที่สุดของสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าเหมือนพระจันทร์ในข้างแรมแปลว่าเสื่อมไปเรื่อยตอนแรกก็เต็มดวงอยู่ดีอนะทร่องไปเรื่อยพร่องไปทีละนิดทีละนิดทีละนิ ด, นดในที่สุดก็มืดสนิทฉันใด ก็นี่ก็เหมือนกันตอนที่ทุกคนมีชีวิตอย่างพาสุขสุขสบายก็เหมือนพระจันทร์เต็มดวงความชราไปก็ค่อยค่อยลดเหมือนพระจันทร์ข้างแรมลดลดดลดไปที่สุดก็มืดสนิทแล้วก็คือตกไปอยู่ในอบายเรียบร้อยแล้วนะมุดอยู่ใต้แผ่นดินเนี่ยนะก็ถือว่าบอดสนิทแล้วเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลกกระทำเหล่านี้มีแปดประการโลกกระทำแปประการคืออะไรบ้าง ลาบกับเสื่อมลาบแปลว่าได้กับเสียลาบแปลว่าได้เสื่อมลาบก็คือเสียสิ่งที่เรียกว่าประจําโลกคือได้กับเสียมียศกับเสื่อมยศหมายความว่ามีพวกกับเรียกว่าอะไรมีพวกกับไม่มีพวกหรืออีกเลยหนึงก็มีมิตรกับมีศัตรูเพราะการเสื่อมยศนี้ก็แปลว่ามีศัตรูมียศก็คือมีพวกเสื่อมยศก็มีศัตรูก็คือมีพวกกับมีศัตรู นินทาสันเสริญก็คือชมกับด่านะถูกชมกับถูกด่าถูกด่ากับถูกชมกับความทุกข์และความสุขภิกษุทั้งหลายโลกกระทำแปดประการเหล่านี้แหละเรียกว่าเป็นสิ่งที่หมุนไปตามโลกโลกกระทำแปดหมุนไปตามสัตว์โลกสัตว์โลกก็หมุนไปตามโลกกระทำแปดหมุนไปตามการได้กับเสียงมันก็มีอยู่สองอย่างถ้าไม่ได้ก็เสียงถ้าไม่เสียก็ได้ นะถ้าเกี่ยวกับเรื่องลาบอ่ะนะได้ลาบเสื่อมลาบต่อไปยศกับเสื่อมยศหมายความว่ามีพวกกับมีศัตรูเดี๋ยวก็มีศัตรูเดี๋ยวก็มีพวกเดี๋ยวก็เป็นพวกเดี๋ยวก็เป็นศัตรูกับชมก็ถูกชมก็ถูกด่าถูกด่าแล้วก็ถูกชมก็วนๆกันอยู่นี่ชีวิตแม้กระทั่งร่างกายของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็สบายก็วนๆอยู่อย่างนี้แหละอันนี้คริดว่าเป็นสิ่งที่มี ประจำโลกสัตว์โลกที่เกิดมาในโลกจาก็ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่เมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะลาบยศสรนเสริญความสุขเป็นเหตุให้เกิดอภิชาสมุทยัทยสัตว์ก็ตามมาการไม่ได้ลาบความเสื่อมยศการได้รับการด่าการนินทาความทุกข์ทั้งหลายถือว่าเป็นทุกขสัจจะที่มีอยู่ประจำโลกเพราะโลกนี้เป็นไปกับอะไรก็เป็นไปกับทุกข์กับ สมุทยัยทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์ความจริงก็มีแต่ทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์มีทุกข์มีเหตุแห่งทุกข์มีทุกข์มีเหตุแห่งทุกข์สลับคละเคลา้าวนเวียนไปอย่างนี้อยู่เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงโลกความเป็นไปของโลกก็แบ่งออกดูดูเป็นเป็นสามอย่างเนี่ยนะของโลกหนึ่งเวลาที่ทําชั่วก็เหมือนกับนมสดที่ยังไม่แปรเป็นนมส้มหรือนมบูดนะบาปที่ทํา ถ้าตามเผาพลางก็เหมือนกับไฟที่ถูกขี้เท่ากลบเอาไว้ชีวิตของผู้ที่ดำเนินไปโลกในโลกก็เป็นไปตามอัคติฉันทาคติโทสาคติโมหาคติและพยาคติเมื่อเป็นไปตามอัคติก็ชีวิตประสบลาบเสื่อมลาบประสบยศเสื่อมยศประสบนินทาและการสรรเสริญเนี่ยนะก็วนอยู่ในโลกกรรม อันนี้คือความเป็นไปของโลกถ้าพระสูตรใดที่เกี่ยวกับบาปและผลแห่งบาปเกี่ยวถึงการใช้ชีวิตด้วยอำนาจอคติกล่าวถึงความเป็นไปแห่งโลกธรรมสูตรเหล่านี้ให้รู้เท่่ว่าเป็นโลกิยาสูตรสูตรที่นับเนื่องในโลกสูตรที่นับเนื่องในวัตฏะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ดำเนินอยู่ในวัตฏะนั่นเองตรงกันข้ามสูตรที่เป็นโลกุตระสูตรล่ะโลกุตระสูตรสูตรที่ออกจากโลกสูตรที่พ้นโลกเป็นไน พระพุทธพจน์ตรัสว่าผู้ใดมีอินทรีย์สงบเหมือนมา้าที่นายสารธีฝึกดีแล้วผู้นั้นย่อมละมานะได้ไม่มีอาสวะเป็นผู้คงที่แม้ทวยเทพทั้งหลายก็รักใคร่นี่ก็เป็นสูตรของผู้ที่พ้นจากโลกเข้าถึงโลกุตรธรรมท่านบอกว่ามีอินทรีย์สงบเหมือนอะไรเหมือนม้าที่ได้รับการฝึกดีแล้วก็แปลว่าฝึกตาฝึกหูฝึกจมกูกฝึกกายฝึกใจเป็นอย่างดี ก็เป็นผู้ที่ฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอย่างดีธรรมะเป็นเครื่องฝึกคืออะไรฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยศีลสมาธิและปัญญาฝึกศีฝึกกายวาจาใจด้วยสมถะและวิปัสนาเมื่อฝึกฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยศีลสมาธิปัญญาฝึกกายวาจาใจด้วยสมถะและวิปัสนาผู้ที่ฝึกอย่างนี้สาเร็จแล้วก็สงบสงบนะ <c oughs> มีอินทรีย์สงบ หมายความว่าดับอินทรีย์ได้ทั้งหมดเนี่ยนะผู้นั้นก็เป็นผู้ละมานะก้าได้ละมานะก้าละมานะก้าก็ละอะไรบ้างละความสําคัญว่าดีกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขาก็ละมานะได้นะมานะดีกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาดีกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาดีกว่าเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขานี่ก็เป็นสามดิ เสมอกับเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาเสมอเขาสําคัญว่าเสมอกับเขาเสมอเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขาเลวกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาเลวกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาเลวกว่าแล้วก็สําคัญว่าเลวกว่าสุดลอก็ตกต่ําที่สุดอันนี้แหละเรียกว่ามานะเก้าผันผู้ที่ฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สงบเสร็จแล้วก็ละมานะทั้งเท้าทานเหล่านี้ได้ตามลําดับมัชเนี่ยนะ มานะตามเป็นจริงกับมานะที่ไม่เป็นจริงมานะตามไม่เป็นจริงละด้วยโสดาปฏิมักมานะตามเป็นจริงละด้วยอรหัตตมักผู้นั้นไม่มีอาสะวะทั้งสี่ประการไม่มีกามาสะวะไม่มีภวาสะวะไม่มีทิฏฐสะวะและไม่มีวิชชาสะวะเป็นผู้คงที่ในโลกธรรมแปดคงที่ทั้งในลาบเสื่อมลาบในยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญความสุขและความทุกข์ บุคคลที่มีคุณธรรมดังกล่าวเนี่ยนะก็ฝึกอินทรีย์ได้สงบแล้วละมานะไม่มีอาสะวะคงที่แม้เทวดาก็ชื่นชมนะเป็นผู้ที่เทวดาชื่นชมเป็นผู้ที่เทวดาทั้งหลายเขารักใคร